ก็ความในมัชฌิมนนกายมูลปนาะมหาหัตถิปโธปมสูตรเนี่ยผู้ที่เจริญธาตุกรรมฐานเนี่ยนะเพราะว่าพระสูตรนี้เป็นพระสูตรที่กล่าวถึงการมณสิการธาตุโดยพิสดารทาในสติประธานสูตรเนี่ยนะสติประธานสูตรนั้นเป็นการธาตุบัพพะนั้นไม่พิสดารซึ่งเนื้อความโดยพิสดารนั้น ในสติปทานยกให้ข้อความในมหาหัตถปโทปะมะสูตรเพราะกล่าวถึงธาตุอย่างพิสดารผู้ที่เจริญกรรมฐานเนี่ยนะหรือจะเจริญสมถะก็ตามวิปัสสนาก็ตามมนุิการโดยความเป็นธาตุเป็นต้นก็ตามไอการที่รับกระทบภัรษะในทวารต่างๆอันนี้ถือเป็นเรื่องปกติท้งพัษะที่ดีบ้างภัรษะที่ไม่ดีบ้าง ในผู้ที่เจริญกรรมฐานนั้นบางครั้งก็ไปประสบกับภัทระที่ไม่ดีขึ้นก็เกิดอะไรขึ้นเกิดโทมณ์เวทนาเกิดความทุกทุกใจเกิดความไม่สบายใจเมื่อมีความทุกข์ใจมีความไม่สบายใจนั้นอนะ่ะควรมณสิการอย่างไร น, น, นะนะก็มณสิการว่าอทุกเขเวทนาที่เกิดขึ้นถึงความเศร้าโศสกเสียใจเนี่ยมันเกิดจากโสตสัมผัสเกิดเพราะมีหูเกิดเพราะได้ยินเสียงนะนะ ทีนี้ไอ้ความเสียใจเหล่านี้มันก็ไหลไปตามผัสสะใช่ไหมผัสสะนี้เป็นปัจจัยจึงมีความเสียใจเพราะว่าผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนานี่ผัสสะเหล่านั้นเนี่ยนะก็เกิดขึ้นโดยอาศัยวัตถุพวานอารมณ์อาศัยหูกับเสียงเกิดโสตวิญญาณสามอย่างประชุมการเป็นผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดสัญญาเกิดสังขารแล้วก็เกิดวิญญาณ พันหูไม่เที่ยงเสียงไม่เที่ยงโสตวิญญาณไม่เที่ยงโสตสัมผัสก็ไม่เที่ยงเมื่อภาษาไม่เที่ยงเวทนาก็ไม่เที่ยงเมื่อภาษาไม่เที่ยงสัญญาก็ไม่เที่ยงเมื่อภาษาไม่เที่ยงสังขารก็ไม่เที่ยงเมื่อภาษาไม่เที่ยงหรือนามรูปไม่เที่ยงวิญญาณก็ไม่เที่ยงผู้ที่มานัสการบ่อยๆบ่อยๆอย่างนี้เนี่ยนะจิตก็จะตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์นั้นแหลจิตคือวิปัสนาจิต นะวิปัสนาจิตทั้งอนิจจานุปัสนาทุกขานุปัสนาอนัตตานุปัสนาก็มานัสการในธาตุทั้งหลายมานัสการอารมณ์ต่างๆโดยอนิจจ์ทุกขังอนัตตาเป็นต้นผู้ที่มานัสการได้อย่างนี้เนี่ยนะสัมมสนายานก็ย่อมเล่นไปเร็วนี่นะเล่นไปอย่างเร็วเล่นไปมานัสการขันอายตนาธาตุเหล่านั้นทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันว่าไม่เที่ยง เป็นทุกข์นะเป็นอนาตาไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยการเกิดขึ้นเพราะอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นจะไม่เป็นที่ตั้งแห่งการติดขัดด้วยอนุปั ส, สนาเพราะเป็นผู้ที่มีอนุปั ส, สนาอย่างคล่องแคล่วจิตก็จะดำรงมั่นอยู่ด้วยอนุปั ส, สนาทั้งหลายคือวิปั ส, สนาจิตก็ไหลสืบเนื่องไปกระแสแห่งอนิจจานุปั ส, สนาก็หลั่งไหลไปนะกระแสแห่งบุญกุศลก็หลั่งไหลไป อ น, นิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนาก็ย่อมแล่นไปจิตย่อมหลุดพ้นจากตัณหาและทิฏฐิคือวัตถุทั้งหลายอารมณ์ทั้งหลายผัสสะเวทนาทั้งหลายธาตุทั้งหลายปัทวีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นจะไม่เป็นที่ตั้งแห่งตัณหาและทิฏฐิเพราะเป็นผู้เจริญอนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนาอย่างคล่องแคล่วชำนาญเนี่ยนะเพราะฉะนั้น เมื่อถูกเขาด่าแทนที่จะไปนั่งคิดถึงคําด่าก็มาน่าเสกานถึงความไม่เที่ยงของสังขารธรรมทั้งหลายแล่นไปพิจารณาสังขารทั้งหลายทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันอันหนึ่งที่ควรหน้าสังเวก็เพราะมีหูนะจึงมีเสียงจึงได้ยินเสียงเป็นต้นเนี่ยนะเสียงเหล่านั้นเนี่ยถ้าเขาไม่เจริญกรรมฐานเขาก็ต้องพูดอย่างนั้นอยู่แล้วประดังที่กล่าวไปว่า เ, เราเองเนี่ยแหละเป็นปัจจัยสําคัญให้เขาด่าเหมือนกันนั่นแหละ แต่เราไม่เข้าข้างตัวเองจนเกินไปเนี่ยนะคนที่ถูกด่าอย่าไปคิดว่าเป็นคนดีอะไรมากมายเลยเนี่ยนะถ้าสังเกตดูดีๆเนี่ยถ้าไปมองในมุมคนด่าเหมือนกันมันก็น่าด่าเหมือนกันนะถ้าเราไปเป็นคนด่าเองเนี่ยนะเราก็บอกไอ้คนที่ถูกด่ามันก็น่าถูกด่าเหมือนกันไอ้คนที่ถูกด่าก็บอกเอ๊ะทำไมมันต้องด่าเราไม่เข้าใจเนี่ยนะแต่ถ้ามองจากทุกแง่ทุกมุมเน MM ี่ยนะมันก็สมควรทั้งนั้นแหละว่าไงนะถ้าฟ้าที่มันผ่าตรงไหนเนี่ยนะมันไม่ใช่ว่ามันผ่าไปเรื่อยเปื่อยใช่ไหม มันต้องมีแบบเชื้อประทุให้มันพามันกันนะคนที่จะถูกด่าเป็นต้นก็ลักษณะเดียวกันมันบางทีก็วิธีการแก้ไขเนี่ยนะอย่างเขาโทรมนัดโทรสะตรงนี้เนี่ยเช่นถูกด่าแล้วก็คือเจริญกรรมฐานไม่สืบเนื่องไม่เป็นไปไม่ต่อไปแต่บางคนเนี่ยนะมีความประพฤติทางจริยธรรมที่ใช้ไม่ได้มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมมีพฤติกรรมที่ไม่สมควร พอเขาด่าบอกมันไม่เที่ยงก็เลยก็เลยอนุรักษ์นิยมต่อไปไอ้ถ้าอย่างนั้นก็ต้องถ้าเป็นระบบทําวินัยนี่ก็ต้องต้องคัดออกอ่ะนะก็ต้องคัดออกอะนะ่กอออกอะเขาเรียกว่ า, าลงทนธนกรรมเป็นต้นหรือถ้าหากว่ายังแนะนําต่อไปไม่ได้บางทีเนี่ยอย่างคําสมัยใหม่คําแนะนําเรียกว่าคําด่าซึ่งเป็นความเข้าใจผิดของคนยุคปัจจุบนันบางคนได้รับคําตักเตือนนึกว่าตัวเองนี่ถูกดา่าเป็นต้น อ่ะนะคนที่ได้รับคําแนะนําได้รับการตักเตือนนั้นอ่ะนะที่จริงแล้วแทนที่จะขอบคุณคนแนะนําตักเตือนด้วยซ้ําว่าเขาเนี่ยมีใจเมตตาเขามีใจกรุณายังแนะนําตักเตือนเราแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้รับคําตักเตือนเมื่อไหร่เนี่ยนะก็แสดงว่าเรานี่ควรแก่การการุณามากแล้วละเนี่ยนะว่าทําไมเขายังไม่แนะนําเราเขาไม่ตักเตือนเราพานในทุกเรื่องเนี่ยพยายามอยากเข้าข้างตัวเองเนี่ยนะ อยาเข้าข้างตัวเองว่าสิ่งนี้นดีไหมเหมาะสมไหมจำเป็นไหมสิ่งนั้นความถูกต้องเหมาะสมควรจะเป็นอย่างไรพิจารณาให้ละเอียดทีท่วนแล้วเนี่ยนะทุกอย่างเราก็จะไม่ะนะไม่สำคัญสคัญหมายว่าจะต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งจนเกินไปะนะจะไม่ตั้งเป้าหมายจนเกินไปสิ่งที่ควรตั้งเป้าก็คือว่ากุศลธรรมจะเจริญงอกงามงอกเงยได้อย่างไรอันนั้นเป็นเป้เปาที่ ที่ต้องตั้งเอาไว้ส่วนในเรื่องราวอื่นๆเนี่ยมันตั้งไว้มันก็ไม่ได้อย่างที่ควรจะตั้งมันสิ่งที่ควรตั้งก็คืออัตตะสัมมาปณิธิเนี่ยนะตั้งจิตไว้โดยประการที่กุศลธรรมทั้งหลายจะเจริญงอกงามยิ่งยิ่ ง, งขึ้นไปอันนั้นเป็นสิ่งที่ควรตั้งเอาไว้ให้มากๆในหน้า518กลางหน้ากล่าวว่าหากว่าชนเหล่าอื่นจะพยายามทําร้ายภิกษุนั้น ด้วยอาการที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใครไม่น่าชอบใจคือบางคนเนี่ยอย่างคนที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องบางคนเนี่ยเขากอ็อย่างอยู่ในเวทวงบางเวทวงเนี่ยเขาก็ไม่ใช่คนดีเน่นะเมื่อไม่ใช่คนดีเนี่ยถึงเราจะทำดีอย่างไรเขาก็ยังยังก็มีจิตคิดประทุษร้ายอยู่ดีเพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะประหารด้วยฝ่ามือด้วยก้อนดินด้วยท่อนไม้ด้ว ย, ว ย, วยสาตรามีการมาเข็นมาฆ่าเนี่ยนะ ภิกษุนั้นย่อมรู้ชัดด้วยปัญญาอย่างนี้ว่าไปเอาผิดเอาถูกกับคนที่มาทําร้ายเราไหมในคำสอนโดยมากไม่ให้ไปเอาผิดหรือเอาถูกกับคนที่เขามาทําร้ายเราแต่ว่าเราเนี่ยคิดอะไรเมื่อได้รับการประทุษร้ายเมื่อคนอื่นเขาว่าเราเนี่ยเราคว ร, ควรคิดอะไรต่างหากเราควรแก้ไขตรงไหนเราควรปรับปรุงตรงไหนอะไรควรละอะไรควรเจริญถ้าเขาด่าเราแล้วเราเสียใจอันนี้ความเสียใจนี่ควรละ แต่ถ้าเราเขาด่าเราแล้วแรงเจริญกรรมฐานต่อไปได้อันนี้ควรเจริญถูกต้องเพราะะฉนั้นก็จำไม่บอกว่าเออเมื่อไรเขาจะเลิกด่าเลิกว่าเลิอกอะไรเราไม่ได้เอาตรงนั้นเป็นประมาณเอาเป็นประมาณว่าเขาถูก เ, เราจะได้รับคาชมหรือได้รับคําด่าก็ตามยังเจริญงอกงามในกุศลธรรมอยู่หรือไม่เอาตรงนั้นเป็นประมาณเนี่ยนะบางคนก็ เป็นนักชี้แจงนิยมเนี่ยนะเป็นนักชี้แจงนิยมมันเขาว่าเราหน่อยนึงเราก็ไปเล่าอยู่นั่นแหละบางทีก็ไม่มีประโยชน์อะไรเนี่ยนะแผนวิธีแก้เนี่ยแก้ที่ที่ไหนแก้ที่ใจของเราเนี่ยแหละว่าทํำยังไงใจของเราจะได้เป็นพาสุขแล้วก็เจริญกุศลธรรมได้อย่างต่อเนื่องอย่าลืมว่าประโยชน์ประโยชน์จริงๆเลยก็คือการเจริญกุศลธรรมทั้งหลายให้กุศลธรรมทั้งหลายเป็นไปอย่างต่อเนื่องเนะ่ยนะ เพราะบางทีเนี่ยอย่างคนที่เขาเขาตำหนิเราเขาอะไรเราเนี่ยนะบางทีเขาก็ยังไม่พร้อมที่จะรับคําชี้แจงใช่ไหมบางทีเนี่ยอย่างอย่างเราถูกด่าเนี่ยเราก็ไม่รู้เอ๊ะทำไมเราจึงต้องถูกด่าเราก็รีบไปชี้แจงเลยอาจจะถูกด่าซ้ําเขาอีกรอบสองก็ได้เนี่ยนะเพราะอะไรเพราะเราไม่ใช่กาลันอยู่บุคคลเรารู้การไหมเนี่ยนะรู้ความเหมาะสมเป็นต้นไหมอันนั้นก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากเนี่ยนะ แล้วก็ย้อนกลับมาว่าไอ้ที่สาคัญที่สุดเลยเนี่ยคนที่คิดหรือมนสิกา ร, า ธ, การธาตุกรรมฐานเนี่ยนะให้รู้อย่างนี้ว่ารู้ชัดด้วยปัญญาวกายนี้แหละเป็นสภาพที่เป็นไปด้วยการประหัดประหารด้วยฝ่ามือถ้าไม่มีกายเขาจะตบลงตรงไหนเนี่ยนะเนี่ยนะที่ถูกตบก็เพราะมีกายนี่แหละแทนที่จะโทษคนตบมาเปล่าโทษกายเพราะมีกายนี่แหละเลยถูกตบเนี่ยนะ เพราะว่าเพราะมีหูเลยถูกด่าเพราะมีกายนี่แหละเลยถูกตบนะนะเพราะมีกายนี่แหละจึงถูกประหารถูกตีด้วยท่อนไม้เพราะมีกายนี่แหละจึงถูกประหารด้วยศาสตราสังเวชตรงไหนสังเวชอะไรสังเวชกายกายนี่แหละถือว่าเป็นที่เก็บมีที่เก็บมือเนี่ยนะที่พักมือชั่วคราวใช่ไหมกายนี่แหละเป็นที่พักท่อนก้อนดินชั่วคราวเนี่ยนะ ก็ว่าเป็นเต้าชั่วคราวเพราะมีกายนี่แหละเป็นที่พักท่อนไม้พักอาวุธเนี่ยนะที่เก็บมีดชั่วคราวงั้นนะนะไม่ได้เก็บนานนะนะเพราะมีกายนี่แหละโทษมีดหรือโทษกายโทษก้อนดินหรือโทษกายโทษฝ่ามือหรือโทษกายก็โทษกายเพราะกายเป็นที่ตั้งของสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะเขาบอกว่าในมหาติปโธปมาสูตรยกมาสองทวาร ถ้าถูกด่าและยังเจริญกรรมฐานอยู่ได้ก็เก่งหรือถ้าถูกเตะถูกตีถูกต่อยก็ยังเจริญกรรมฐานต่อไปได้นี่ถือว่าเก่งมากเนยนะแต่ก็ถามว่าเอ๊ะแล้วคนที่เจริญอย่างเงี้ยถูกเหมือนเมือนกันหรือหลายท่านก็บอกว่าเขาพระรูปหนึ่งท่านเล่าว่าท่านไปอยู่ในถ้ำเ น, นี่ยนะก็มีคนเข้าไปป้ายร้ายท่านแล้วก็ถูกตีทั้งปากเจิงนองไปหมดเลยก็มีอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องเรื่องกรณีเหล่าเนี้ก็มีอยู่เนี่ยนะ เสร็จแล้วถามว่าถ้ายังกโกรธอยู่ล่ะให้ระลึกถึงพระสูตรว่าอันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในพระโอวาทอันเปรียบด้วยเรื่อยหรือที่เรียกว่ากะกะจูปะมะสูตรเนี่ยนะสูตรที่พระองค์เปรียบด้วยเรื่อยว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายแม้ว่าพวกโจรผู้มีความประพฤติต่ําช้าเพ่งตัดอวัยวะน้อยใหญ่ด้วยเรื่อยอันมีด้ามสองข้างใส ภิกษุที่ยังใจให้ปทุสร้ายในโจรแม้นั้นย่อมไม่เป็นผู้ชื่อว่าทําตามคําสอนของเราด้วยเหตุนั้นหมายค่ะว่าถ้าโจรเนี่ยเอาเลื่อยสองข้างมาตัดเราครึ่งตัวเลยเนี่ยนะถ้าทําไมท่านไม่ใช้คําว่ามีดนะเอามีดมาฟันฉับขาดชุบเลยนะไม่เค่อยเลื่อยค่อยๆเข้าทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยนะอันนี้ก็แปลว่ามันเป็นที่ตั้งแห่งความเจ็บปวดลึกซึ้งมากเลยนะค่อยลึกเข้าไปเรื่อยลึกเข้าไปเรื่อย แสดงว่าปกติแล้วสภาพแบบนี้จะทนกันไม่ได้พระองค์ก็บอกว่าถ้าโกรธเขาชื่อว่าไม่เป็นสาวกของเราเนี่ยนะถ้าโกรธเขาก็ไม่ปฏิบัติตามคําสอนของเราเมื่อไม่ปฏิบัติตามคําสอนของเราจะชื่อว่าเป็นสาวกของเราได้อย่างไรเนี่ยนะเพราะฉะนั้นต้องระลึกถึงพระสูตรนี้เอาไวบ้บ่อยๆถ้าเราโกรธเราก็ชื่อว่าเป็นสาวกของคนที่มาประทุสร้ายเราคนที่เขาประทุสร้ายเราเขาอยากให้เรามีความสุขไหม เขาสอนให้เราโกรธเขาสอนให้เราไม่พอใจเขาสอนให้เราเสียใจเขาสอนให้เราเครียดเขาสอนให้เราเจ็บปวดที่สุดเนี่ยนะเขาต้องนั่นคือสิ่งที่ศัตรูต้องการแล้วพระพุทธเจ้าต้องการอย่างนี้ใช่ไหมบอกหม่พระองค์ต้องการให้เจริญอะไรเจริญเมตตาพระองค์สอนให้เจริญกรุณาสอนให้เจริญคุณธรรมทั้งหลายสอนให้เจริญกุศลธรรมทั้งหลายเราะนั้นในระหว่างที่ที่เจริญอยู่นั้นเนี่ยนะเกิดไปโกรธเข้า ต้องแยกให้ออกว่าขณะไหนเราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าขณะไหนเราเป็นลูกศิษย์ของอกุศลเนี่ยนะเป็นสาวกของอกุศ ล, ลธรรมทั้งหลายเป็นสาวกของคนพ่านแยกกันเป็นละขณะขณะเนี่ยนะอันหนึ่งความเพียรอันเราปรารบแล้วจักเป็นคุณชาติที่ไม่ย่อหย่อนคําว่าวิริยะก็คืออันนี้เป็นอะไรเป็นวิริยินรีใช่ไหม เป็นเป็นวิริยะเป็นวิริยินีเพียนเพื่อจะ ก, กำจัดอกุศลธรรมทั้งหลายต่อไปเพียนเพื่อทำกุศลธรรมทั้งหลายให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปสติอันเราเข้าไปตั้งเอาไว้แล้วจักเป็นคุณชาติไม่หลงลืมก็คือไม่เผลอเนี่ยนะไม่เผลอด้วยด้วยสติด้วยความไม่ประมาทไม่เผลอว่าภาระสาระสำคัญของเราก็คือการเจริญ คุณธร ร, ร, รรมทั้งหลายการเจริญกุศลธรรมทั้งหลายไม่เผลอไม่เลอะเลือนในการเจริญคุณธรรมกายอันเราตั้งให้สงบแล้วจักเป็นสภาพไม่กวนกวายหมายค่ะว่าเช่นวิตกกะเนี่ยไม่ให้มันกวนกวายไม่ใช่ฟุ้งซ่านด้วยอากุศลธรรมทั้งหลายไม่นะไม่ให้กายกายคืออะไรเจตสิกขันสามเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันไม่ให้มันกระสับกระสายคําว่ากายเนี่ยแปลว่ากายเนี่ยแปลว่ากอง กองแห่งความกองแห่งเจตสิกที่เกิดร่วมกับจิตเนี่ยอย่าให้มันพล่านเหมือนนเถอะค้อเรียกว่าควบคุมเอาไว้ให้ดีจิตอันเราตั้งให้มั่นแล้วจักเป็นธรรมชาติเป็นเอกคตาเนี่ยนะตั้งมั่นเป็นอุปจารสมาธิและเป็นอัปปนาสมาธิเนี่ยนะคราวนี้การประหารด้วยฝ่ามือทั้งหลายจะเป็นไปในกายนี้ก็ดี การประหารด้วยก้อนดินทั้งหลายจะเป็นไปในกายนี้ก็ดีหรือการประหารด้วยท่อนไม้ทั้งหลายจะเป็นไปในกายนี้ก็ดีการประหารด้วยศาสตราทั้งหลายจะเป็นไปในกายนี้ก็ดีแปลว่าถูกปีด้วยมือถูกปีด้วยไม้ด้วยขูกคว้างปาด้วยก้อนดินหรือว่าจะถูกใช้ศาสตราอาวุธมาประหัดประหารในสรีระนี้ในกายนี้ก็ตามทีเถิด คำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเราจะทาให้จงได้